ท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์การวางทั้งสองได้นี้เป็นสัมมาปฏิปทาท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลางหลวงพ่อชาสุพัทโท วันนี้เราก็มาพูดคุยกับตัวเราเองเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเราท่านผู้ฟังก็มีอาชีพผู้พูดก็มีอาชีพทุกๆคนเนี่ยก็ต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองอาชีพของเราคืออะไรลองทายกันสิท่านผู้ฟังลองทายด้วว่าท่านจะมีอาชีพอะไรอ่ะทายอะไรนะก็คืออาชีพดับทุกนนะันเล ผมเองก็ว่าคนทุกคนเนี่ยมีอาชีพเดียวฉทนั้นแหะที่ต้องทำ <c oughs> คืออาชีพดับทุกทุกคนต้องดับทุกตั้งแต่เกิดจนตายไม่เว้นทุกทั้งกายทุกทั้งใจเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักไม่มีใครจะหลีกหนีจากอาชีพนี้ไปได้เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ย เกี่วเกี่บเรื่องชีวิตนี่จะต้องอาศัยการดับทุกข์ทั้งนั้นอ่ะก่อนลืมตาได้วยซ้ำไปเราก็ร้องไห้จ้าการร้องไห้ของเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยเพื่อการแก้ทุกข์เขานะถ้าเด็กเกิดมาแล้วไม่ร้องไห้เนี่ยพยาบาลจะต้องตบก้นเพื่อกระตุน้นให้เด็กเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่า การกระตุ้นแบบนั้นอะ่ะช่วยให้เกิดการหายใจมีการหายใจและเริ่มต้นละแก้ทุกตัวเองด้วยการหายใจแล้วเราเองก็ต้องหายใจตั้งแต่เกิดจนตายการหายใจแต่ละครั้งเนี่ยก็เพื่อการแก้ทุกแล้วก็ต้องมีการอาบน้ําทานอาหารขับถ่ายเวลาง่วงก็ต้องนอนเวลาเจ็บไข้เดรป่วยก็ต้องนอน ไปหาหมอหายามารักษาคือต้องทําต้องทําดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องทําจนกระทั่งตายไปเป็นการดับทุกข์เป็นทุกขเวทนาทั้งร่างกายจิตใจก็เช่นเดียวกันมีอาชีพดับทุกขางใจเหมือนกันเพราะใจเราเนี่ยเป็นทุกขมากทุกขมากกับร่างกายซะอีกทุกเพราะว่าถูกกิเลสครอบงํา แล้วเราก็ต้องทําตามกิเลสเพื่อเป็นการแก้ทุกข์ทางใจเหมือนกันนะเวลามันเกิดความอยากขึ้นมาในจิตใจเนี่ยอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ทําตามความอยากเนี่ยโอ้ใจจะเป็นทุกข์มากดินน่นหล่นทุรนทุรายนะเนี่ยเวลาเกิดความโกรธก็ต้องทําตามความโกรธไม่งั้นมันจะทุกข์มากจิตใจมันจะอึดอัดขัดเคืองอยู่ข้างในเราแก้ทุกข์ด้วยการทําตามกิเลสแต่ก็แก้ทุกข์ได้ชั่วคราวนะ แล้วันก็ทุกใหม่มีความทุกข์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเรา เ, เราต้องแก้ไขตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอันนี้สมมติมีสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นความสงสัยเนี่ยและต้องหาคำตอบอันนี้เราก็ต้องแก้ตั้งแต่เกิดจนตายนะเราเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราล้องให้จะมันมีความสงสัยติดตัวมาแล้วเป็นทุกข์มาแล้วล่ะแลวต่อไปเราก็จะมีแต่คาถามคำถามตอนพูดไม่ได้ถามใครไม่ได้ โดยยังสงสัยอยู่ในจิตใจพอเริ่มรู้เดียงสาก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ถามคนที่เลี้ยงดูเราอันนี้คืออะไรกินได้ไหมเราเอาชนะมันได้ไหมสิ่งเหล่านี้มันจะมีคำถามตลอดจนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเนี่ยลำคาญถามจนลำคาญสเกต ด, ดูเห็นไหมเด็กจะถามจนเราเบื่อเพราะว่าเด็กเขาสงสยัย แล้วก็จะแสวงหาคําตอบโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีคําถามอีกมากมายถามคุณครูสิ่งนูน่นสิ่งนี้มันคืออะไรโตขึ้นมาอีกเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้สูงอายุเข้าวัดก็ต้องถามไพร์คือจะมีคําถามอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมเนี่ยดับทุกข์ได้จริงไหมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงเป็นขั้นพระราหันพระระยะบุคคลเนี่ยมีจริงไหม ลรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแต่และเกิดหรือไม่นี่จะเป็นคําถามพระกุญจะอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อจะหาคําตอบผลสุดท้ายก็เราจะตายไปเนี่มันก็ยังมีคําถามสุดท้ายอีกว่าตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดที่ไหนเราสงสัยและก็หาคําตอบตั้งแต่เกิดจนตายความสงสัยนี่ก็คือความทุกข์นะเรามีอาชีพดับทุกข์ ทั้งทางกายและวก็จิตใจตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่เราแสวงหาอาชีพเช่นอาชีพที่สุจริตถูกกฎหมายถูกศีลธรรมก็เพื่อการดับทุกหรืออาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันนี้ก็เพื่อความดับทุกเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมาหาซื้อปัจจัยสี่เพื่อดับทุกให้กับกายและใจเรา เรามักจะเข้าใจผิดว่าที่เราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนั้นก็มาเพื่อให้เราเกิดความสุขมีทรัพย์สินเงินทองเพื่อความสุขอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะเราแก้ทุกข์เราได้ต่างหากเมื่อแก้ทุกข์เราได้แล้วเนี่ยความสุขจึงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้นั้นแม้ว่าเราจะมีมากมายขนาดใดก็ตามไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วเราจะมีความสุขมาก อันนั้นไม่ใช่บางทีมีเงินมีทองมากทุกมากก็มีมีความกังวลมากก็มีเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา น, นั้นเราก็ยังแก่เราก็ยังเจ็บเราก็ยังตายเงินช่วยเราไม่แก่ไม่ได้แม้จะชะลอความแก่ด้วยเงินทองก็ได้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวความจริงคือความแก่ก็ต้องปรากฏขึ้นที่ตัวเราเมื่อเวลาเราจุดแค่ได้ป่วยเงินทอง อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าโรคภยัยกระเจ็บบางโรคเนี่ยมีเงินมีทองก็รักษาไม่หายโดยเพราะความตายเนี่ยทรัพย์สินเงินทองนี่ซื้อความตายไม่ได้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสายอะไรก็ตามเราก็ยังดับทุกข์ได้ไม่ตลอดแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้ความสําคัญมากนะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็แสวงหาจนลืมตัวเรา ลืมกายลืมใจเราเงินทองเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนมีมากสปันใดก็ตามเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวท่านั้นอย่าไปยึดติดมันมากนะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกตอนที่ตั้งอยู่ทุกตอนที่ดับไป นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรดับไปเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะต้องประกอบอาชีพที่สำคัญก็คืออาชีพดับทุกข์เนี่ยสำคัญมากทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนกายกับจิตเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่แหละคือที่ตั้งของความทุกข์กายจิตเป็นที่ตั้งงความทุกข์ความทุกข์ที่แท้จริงนั่นก็คือความยึดมั่นถือมั่น ว่ากายจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเราคือความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดับทุกข์เราต้องรู้จักปล่อยวางถอนความยึดมั่นในกายในจิตเราออกเสียการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการทาให้เรารู้จักปล่อยวางเราจะปล่อยวางตัวเราได้นั้นเราจะต้องอาศัยการสังเกต การตามดูตามรู้เฝ้าดูเฝ้ารู้ตัวเราจับผิดตัวเราให้ได้เลิกจับผิดบุคคลอื่นซะจับผิดตัวเรามาสนใจกับตัวเราให้มากกายใจเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันเฉยเฉยอยู่ถ้าเราตามดูไปเรื่อยๆจะรู้ว่าอ๋อกายเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆจิตใจเนี่ยมันคิดแต่เรื่องความทุกข์ตามจับผิดตัวเราเนี่แหละเราจะเกิดปัญญา จะรู้ความจริงเกี่ยวเรื่องตัวเราว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรเนี่ยสำคัญมากถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจเราได้แล้วเนี่ยทุกข์ภายในจิตใจก็จะไม่เกิดขึ้นนี่แหละคืออาชีพที่เราต้องทำทุกๆค น, นคืออาชีพดับทุกข์เราจะดับทุกข์ด้นั้นเราต้องปฏิบททัติธรรม